ยิ่งเมื่อสักยี่สาสปีที่แล้วนี่เยวาวกิจนิมนต์ไม่ได้ขาดเลยเทปที่ท่านเทปคำบรรยายของท่านก็ขายดียิ่งกว่าเทปตลกยิงสิแต่มาถึงช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยได้ไดมีกิจนิมนต์มากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นผลมาจากความเข้าใจนะที่ผู้คนเนี่ยมองว่าท่านเป็น พระเสื้อแดงความเกียดชังที่มีกับท่านนี้ก็ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะช่วงที่มันเกิดความขัดแยง้งท้านเลาว่าบางวันไปบินทบาทนีก็มีโยมพูดว่าเนี่ยทำไมไม่ใส่จีวรสีแดงมาพูดในเชิงกระแนกกระแนหนแล้วก็ีิท่านเสียใจนะก็คือเพื่อนๆที่สวนโมกนะ ก็ไม่เข้าใจท่านอันนี้ท่านก็เล่านะเปิดเผยว่าเนี่ยอาจเปิดเผยในที่อื่นนะว่าเนี่ยเป็นยุคนี้เป็นยุคที่เป็นช่วงที่ขาลงที่สุดนะในชีวิตของท่านอันที่ท่านเล่ามามันก็สะท้อนในเรื่องโลกธรรมนะว่าสารเสริญกับดินทาของคู่กันบางยุคบางสมัยก็ได้รับควาสารเสริญแต่บางยุคบางสมัยก็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 มันต้องเจอมารนะบารมีถึงจ ะ, ะกล้าแข็งแล้ท่านก็พูดตอนหนึ่งว่าช่วงเวลาที่มีความทุกข์ความเครียดเนี่ยท่านก็นึกถึงคาถาของหลวงพ่อพุทธทาสนะชื่อว่าคาถาตวาดความทุกนะข์คาถาที่สั้นมากนะก็คือว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกโวยนะคาถาที่ใช้ได้ดีมากกับ ตัวท่านเองนะจริงๆก็เป็นคาถาที่พวกเราก็น่าเอาไปใช้มั้งนะเวลามีความทุกข์เนี่ยต้องตวาดความทุกข์มันกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกโวยนะถ้าเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นี่มันก็โง่แล้วนะถ้าเราเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นี่ก็ถือว่าเราโ ง, ง่แล้วขาดทุนจริงอยู่นะความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์เรียกว่ามีความทุกข์ทุกข์ทั้งอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ความทุกข์ก็ยั่งอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะอย่างที่เราสวดทุกเช้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วแต่นั้นก็ไม่แปลว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะมีทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทุกข์นะเพราะว่าทุกข์นั้นไม่ได้มีไว้เป็นนะทุกข์มีไว้ให้เห็น บางทีเราก็ต้องนะตวาดมันบ้างนะตะวัดความทุกข์ตวัดใส่ความทุกขนะ์จะตะวัดยังไงก็ได้นะแต่ก็ให้รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะเว้ยหรือว่าถ้าเราจะไม่ตวัดความทุกข์นะก็ลองตวัดใส่กิเลสดูบ้างนะกิเลสเนี่ยมันก็คือรากเหง้าที่ทําให้เราทุกข์นะ ยิ่งมีกิเลสมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเป็นทุกข์ได้ง่ายมากเท่านั้นและที่เราทุกเพราะปล่อยกิเลสคลองใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยก็ต้องตวาดนะใส่กิเลสบ้างไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือว่าจะตะวาดนะใส่จิตใจของเราก็ได้ในสายพุทธการก็มีพระเทระหลายท่านนะเวลาท่านปฏิบัติแล้วก็มันติดขัดขึ้นมาเพราะว่า จิตใจนี่มันไม่ร่วมมือด้วยมันคิดแต่จะไปในทางอากุศลนะคิดแต่จะฟุ้งซ่านตะล่อมแล้วตะล่อมอีกมันก็ไม่ไปไม่ให้ความร่วมมือบางท่านนี่ท่านก็ตะวาดใสเลยนะอย่างท่านตาลปุตเถระนะท่านตาลปุตนี่ท่านก็นะตะวาดใสจิตนะจิต เจ้านี่ร้ายนักนะเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเจ้าอีกต่อไปเมื่อเรามั่นคงเสร็จแล้วนี่เจ้าจะครองจิตครองเราหรือบังคับเราให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ท่านก็ตวาดนะไม่ยอมเชื่อแล้วปกติในสุดท่านก็สามารถที่จะทําให้จิตนิเชื่องได้แล้วก็ท่านบรรลุ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 เ้าจะท่องเที่ยวไปที่ไหนที่ไหนพอใจในะในอกุศลธรรมไม่ได้ต่อไปเราจะเอาสติผูกเจ้าไวนะ้เราจะฝึกเจ้าให้อยู่ในอำนาจนะจะได้ไม่ไกลออกจากอารมณ์ภายในอีกต่อไปอันท่านเหล่านี้เนี่ยเดิมทีก็ท้อนะเพราะว่าใจไม่รวมมือจะปฏิบัติก็มีเกิดนิวรนะง่วงบ้าง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 นะอย่าไปหลงเอาความทุกข์ของมันมาเป็นความทุกข์ของเรานะปล่อยให้มันทุกไปนะแล้วดูว่ามันจะทุกไปได้กินน้ำนะอย่าไปไปร่วมมือกับมันนะอย่าไปเออเอาหอหมกกับมันเราต้องฉลาดในการที่จะสู้กับมันบ้างนะในการที่จะชี้หน้าใส่มันบ้างหรือว่าหัวเราะเยาะหัวเราเยาะกิเลสหัวเราเยาะอัตตาหรือหัวเราเยาะตัวเองก็ได้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 ดินผ่าผ่าผ่าอยู่ในขี้เท่าเนี่ยแต่ไม่ใช่เราเอาขี้เท่าไปาสาดใส่ส า, สาเดือนนะแต่ให้เห็นเป็นให้นึกให้จินตนาการว่ากิเลสเนี่ยเวลามันไม่มีไม่ได้รับการปนเปลือยเนี่ยนะไม่ได้รับการปนเปลือยหรือว่ามันมีถูกกระทบเนี่ยมันก็จะมี ก, การอย่างงั้นแหละให้มันดินไปนหัวเราเยอะมันด้วยก็ดีนะบางทีเราก็ต้องมีอารมณ์ขันนะ หัวเรายอดตัวเองบ้างหัวเรายอดอัตตาบ้างเวลาทําอะไรผิดพลาดรู้สึกอับอายขายหน้าอย่าไปทุกมากมองคนบางครั้งคนเราก็ทําอะไรเปิลเปิลหรือว่าทํอาอะไรอ่าเรียกว่าเสียหน้านะมันก็ธรรมดาแต่ว่าพอทําอะไรผิดพลาดเกิดเสียหน้าขึ้นมาก็ทุกแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยที่ทุกแต่มันกิเลส ท, ทุกนะมันเป็นตัวอัตตาที่มันทุกไม่ใช่ ของเรานะถ้าจะรักตัวนะจะรักตัวอย่างแท้จริงก็อย่าไปนะเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราหรืออย่าปล่อยให้ความทุกข์มันมาครอบงาใจนะมีแต่คนที่รักตัวเองเท่านั้นที่จะกล้าตะวาดว่าเนะี่ยกลูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะคนที่จะตะาวาัเนี่มันต้องเป็นคนที่รักตัวเองจริงๆนะเพราะว่าเกิดมาทั้งทีนะจะทุกข์ไปทาไม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 เวลาจะทุกข์เวลาจะโกรดนี่โอยให้เวลากับมันเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนให้เวลากับความโกรธให้เวลากับความเศร้าให้เวลากับความโกรธความขับแค้นใจความทุกข์หัดมีสติเฉลียวอดูบ้างนะว่าให้ที่ทเนี่มันฉลาดหรืองโง่งัถ้าเราปล่อยกิเลสครองใจนะมันก็อย่างนี้แหละ หลวงพ่อพยายามท่านยังพูดนะว่าเออเวลาท่านเครียดนะเวลาท่านเครียดเวลาท่านทุกเนี่ยก็หันมาดูหมาดูแมวหมาแมวนี่มันไม่เคยเครียดนะมันไม่เคยมันไม่เคยเปาา็นโรคประสาทไม่ไม่เคยนอนไม่หลับเลยนะให้เรานี่คนเรานี่กลับนอนไม่หลับกลับเครียดนะกลุ้มอกกุ้มใจถึงขั้นทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าแย่นะหรือโง่ยิ่งกว่าหมากับแมวสิ เราต้องฉลาดในการมองแบบนี้บ้างนะอย่าไปจะไปมองนี้อย่าไปจมอยู่จากความทุกข์นะจงกระทั่งไม่รู้จักเพเยะนะหรือกลับมาเฉลียวใจนะใชดีกว่านั้นเนี่ก็ให้รู้จักมองว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์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 ใช้แบบเรียกว่าไม่บัญญับัญยังเลยเพราะถือว่าเป็นพระแก่มีพรรษาน้อยมีคนหนึ่งก็ถูกลงโทษให้ไปต้มน้ำไปต้มน้ำอุ่นข้อเจะ เ, เป็นอากาศหนาวนะไปต้มน้ำอุ่นให้พิสุทธินีรุ่นลูกกันนะแต่ว่าพรรษามากกว่าแต่ว่านางโสนาเนี่ยพระโสนานี่ก็เป็นคนที่เรียกว่าแม้ไม่ได้บวช ด, ด้ศรัทธาแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็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 เกศาโลมานาขาตันตาตโาจนั่นก็พิจารณานั้นระหว่างที่พิจารณาก็เดินจงกลมไปด้วยเดินรอบเสานะเดินรอบเสาแล้วก็เดินจงกลมพิจารณาอาการ32บอกว่าพิจารณาไปนี่จิตก็สงบสุดท้ายก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้าจะมีพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมในครัวนี่ก็องค์นี้แหละพระโสนานะครัวนี้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะ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 ร่างกายของเราที่เราคิดเป็นตัวเราเนี่ยพอแยกไปทีละส่วนทีละส่วนเอาเอาผมเอาขนหนังฟันเล็บเอาปอดเอาหัวใจเอาเลือดเอาน้ำเหลืองเอาเจอร์ปัสวาออกก็ไม่เหลืออะไรเลยก็คืออนัตตาคือไม่มีใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทำพิจารณาเช้นนี้เนี่ยนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ามองถ้ามองในแง่นี้เนี่ยนะ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 ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนางปต จ, จาราก็เช่นเดียวกันเสียหนักมากทั้งผัวลูกสองคนทั้งพ่อแม่ทรัพย์สมบัติถูกเผาในกองเพลิงจากคนรวยกลายเป็นคนที่สิ้นลายไม้ตอบกลายเป็นคนที่คุ้มครั่งไม่มีสติเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดท่านเหล่านี้เนี่ยนะถ้าชีวิตท่านราบรื่นปกตินะ ก็คงจะยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในความทุกข์แต่ว่าพอเจอทุกข์นั่นแหละมันถึงผลักให้ท่านเข้าไปหาธรรมหรืออย่างที่ท่านอย่างที่อาจารย์สุรินทร์พูดเมื่อเช้าสัน ต, ติอมัมมัดถ้าหากว่าหญิงคนรักหญิงคนโปรดไม่ตายต่อหน้าต่อตาเพราะว่าฟ้อนลำเจ็ดวันเจคืนเนี่ยก็คงไม่สั่งมาคงไม่เสียใจ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 พอแกลม้มผู้หญิงก็เอามีดจ้วงแทงตามลำตัวตามมือตามขาโดนไป40สิบแผลนะแล้วก็ถูกทิ้งให้นอนจมกรองเลือดแต่ไม่ตายนะเพราะมีคนมาช่วยไว้โชคดีนะเพราะว่าสองคนก่อนนั้ น, น, นตายโดยน้ามือผู้หญิงคนเดียวกันมีคนพาไปโรงพยาบาลช่วยได้ทันหลดตาย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 แล้ถ้าของแหลมมาแทงนะพ้ของแหลมาแทงก็ดีที่เขาไม่เอามีดมาฆ่าให้ตายแล้วเขาฆ่าท่านให้ตายแหละท่านจะว่าอย่างไรพระปุณกยังตอบว่าดีนะแล้วบอกว่าเนี่ยคนบางคนอยากตายก็ต้องไปหามีดหาสัตว์ตรามาหรือไม่ก็ตทั่งไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้ามีคนมาฆ่าพง ก, ก็ดีนะคือไม่เหนื่อยนะคือท่านมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยมันดีทั้งนั้น ดียังไงดีที่ไม่แยกไปกว่า น, นี้นะพระเจ้า ก, ก็เลยอนุญาตให้พระปุณณะกลับไปสุนัปรินตะาอกว่าท่านก็สามารถที่จะชนะใจชาวสุนปัปรนตะได้นะทําให้คนเหล่านั้นถันมาอาสมาทานพระสมาสมท า, านศีลแล้วก็ศรัทธานในพระตตรัตนะไตรตอนหลังพระพุณณะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันเนี้ที่เขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีทั้งนั้นนะ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 เราจะได้ประโยชน์จากมันยังไงบ้างให้จากความทุกข์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะนันเนี้ยคือสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เลยหรือว่าถ้าฉลาดกว่านั้นก็คือพิจารณาทุกข์ดูทุกข์นะดูทุกข์ก็เห็นทุกข์อย่างที่ได้พูดไปสองสวันก่อนว่าที่หลวงพ่อคอมเขียนท่านบอกวันนี้ถูกด่าว่าก็เห็นสัจธรรมได้หรือว่ามีความทุกข์ก็เห็นสัจธรรมไดนะ้ถ้าตั้งสตนะิก็จะเห็นทุกข์ เราก็จะเห็นโลกธรรมเห็นสัจธรรมเห็นโลกธรรมว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเห็นทุกข์คืออริยสัจข้อแรกหรือว่าเห็นสมุทยัยคืออริยสัจข้อที่2องและถ้าเห็นอริยสัจข้อที่สองแล้วเนี่ยอริยสัจข้ออื่นก็จะตามมาเองอันนี้ก็ต้องอาศาัยคนที่มีสติหน่อยนะแต่ที่จริงสติก็สําคัญนะสำหรับอสองข้อแรกเหมือนกันนะคือตวาดความทุกข์นะ ถ้าไม่มีสตินี่นึกไม่ออกหรอกคาถา ต, าตาวาดความทุกข์ลหรือถ้าไม่มีสตินี่มันก็นึกไม่ออกหรอว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแย่ๆนี่มันจะมีอะไรดีบ้างนะก็คานี้ก็พกเพื่อนท่านนี้นะเอากลับมาพร้อมกัน